ทำมชาดกแผ่นที่หกลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองตุลาคม2543ามีชื่อเรื่องว่าบารมีสิอย่างโจนจะออกพรรษาแล้วเนี่ย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 อย่างโภคพระที่ออกบวชหรือเป็นฤาษีศรีไพยหรือผู้ที่รักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดอภิมจริยาอันนี้นเราบรรเนกขัมเข้าไปในเนขมัมคือออกบวชทั้งฝ่ายหญิงทั้งฝ่ายชายทานทานะแปลว่าเสียสละในการให้ทานตามอัตภาพการเสียสละจาคะนี่ยมีหลายๆอย่างจาคะคือการเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆของตน เพื่อบำเพ็ญทานศีลเพื่อบำเพ็ญเนคข ม, มะเรื่า ก, การเสียสละความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นเรื่า ก, การเสียสละพิชาความรู้จาฆ่าให้คนอื่นให้เขามีปัญญาให้เขาเลี้ยงชีพได้หรื่อเสียสละทรัพย์สมบัติที่ตัวเองหามาแบ่งปันให้คนอื่นอันนี้คือจาค่อย่างพวกเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะจาะฆาะจากพ่อจากแม่ของพวกเรา พ่อแม่ของพวกเราก็ต้องจา่าฆ่ให้ลูกทุกๆคนตั้งแต่เกิดมาก็ต้องเลี้ยงดูข่าวน้าปัจจัยความอบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วจะเป็นจา่าฆ่ทั้งหมดจา่าฆ่คือการบริจาคให้แก่ลูกพวกเราทุกคนได้รับจาฆ่าเพราะนั้นโลกนึงจะอยู่ได้เพราะจาคะถ้าไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละให้กันแล้วโลกนี้อยู่ไม่ได้แห้งผ่าเหมือนกับต้นไม้ไม่มีใบอย่างนั้นอะ เนี่ยคมะทานะขันติคือความอดทนอดกลั้นการอยู่ร่วมกันจะให้ได้อย่างใจของเราทุกๆคนนั้เป็นไปไม่ได้ก็ต้องมีการอดทนต่อสามีพัญญาต่อพ่อต่อแม่ต่อเพื่อนต่อฝูงต่อลูกต่อเต่าต่อดินฟ้าอากาศท่านบอกว่าการอดทนผู้สูงกว่าพอทนได้ไป้ข้าวัดเรายอมแพ้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 อย่างที่เราปรารถนาอันนี้เรา เ, เมตตาสัจจะคือตั้งสัจจะอธิษฐานคือตั้งใจมั่นเมื่อเราพิจนารณาว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วเหตุผลถูกต้องแล้วลงแล้วดวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วศึกษาว่านี่แหละคางถูกต้องเราศึกษาในทางพุทธศาสนาศีลห้าศีลอุโบสถเราจะทําขนาดไหนตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าในวันสําคัญ มาคะบิชาขะวันเกิดของตอนเองวันเกิดพ่อแม่อะไรลักษณะอย่างนั้นตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งใจมั่นเอาไว้แล้วก็ศีลรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นบา ร, รมีข้อที่1ข้อ1เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นโพธิทัตเหลืองศีลรักศีลยย่งกว่าชีวิตรักษาศีลถึงชีวิตจะปราบจากหรือตายไปก็าตามแต่ไม่ยอมให้ศีลขาด อเมตตานี่ยก็คือสุวรรณทสามท่านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตาบอดขนาดนายพรานมายิงท่านท่านยังมีเมตตากับนายพรานไม่มีปลูกอาคารพยาบาทแลต่กับปัญญาหรือชาติที่เป็นมโหสถอืดใช้ปัญญามากมโหสถเนี่ยวาฏทะทุกสิงทุกอย่างเอาใครทายว่าใครมาเล่ยเลี่ยมไหนต้องกันกลองไตตรองพิจารณาใช้ปัญญาตนเองทบทวน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 จะไปหาคนไหนของคนหนึ่งเลยเสนอขึ้นมีนักบวชคนหนึ่งเป็นเจ้าลัทธิมาอยู่ในอุทยานควรจะไปหาท่านจากนั้นก็ไปหาท่านก็ไปถามไต่ถามเจ้าลัทธิกัเจ้าลิทธิธธงธงโงๆ่ๆทีอไปถามว่าบาปุนคุณโทษมีจริงหรือเปล่าคุณบิดามันดามีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าพหนาาชาติหน้ามีจริงหรือเปล่า อแล้วก็ควรจะทําตัวอย่างไงจึงจะเหมาะสมในการคลองชีพในการเป็นครวาตในการปกครองบ้านเมืองพระเจ้าเป็นียนกระถามเป็นฉากๆนะท่านนี่ก็ชีวก ค, คนนั้นก็หลับตาใกล้ควรคิดไม่ออกมั้นแต่ควรที่จะตอบมันมันลบไม่มีสวรรค์ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีตายแล้วศูนยอใครทําดีก็ทําไปอย่างงั้นอ่ะใครทําชั่วก็ทําไปอย่างงั้นอ่ะผลของกรรมไม่มีปฏิเสธหมดว่างั้นแะเถอ แต่ตามไม่จริงถ้าหาว่าไม่มีอย่างนั้นฤาษีจะปฏิบัติตัวทําไมยังลำบากเปล่าทําไมไม่ทําความชั่วอะไรเสียหายหมดชีวก็ไม่ทำผพที่สูดเนียพระเจ้าปดีก็เลยไปคบกับคนชั่วเออใช่ชีวกในพูดถูกว่าไปพบคนชั่วชั่วตามทีนี้ก็เลยลดละในการทําบุญทําทานหรือลงทานทิ้งหมดเลยทีนี้จากนั้นก็เอาเงินที่บํารุงประเทศชาติบ้านเมืองก็เอามา ปนเปื่อไปทางอบายมุกต่างๆจนบ้านเมืองเดือดร้อนไปหมดนางรุจจาที่เป็นลูกสาวก็ไม่รู้จะทายัางไงเพราะพ่อเขาเป็นมิกชาทิฐิเข้าใจผิดจนไหวบอนถึงเทพเจ้าเหล่าเทวาให้มาช่วยปกป้องปบิดาจากนั้นคือเดือดร้อนไปถึงนารทะคือพรมได้ลงมาจากพรมโลกลงมาเป็นลือศีขึ้นมาลอยอยู่ในอากาศมาสอนคราวนั้นจนเข้าใจถูกทาง อันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นนารทะเป็นพรหมได้มาโปรดพระเจ้าแผ่นดินอันนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่การสร้างบา ร, รมีของพระองค์ทั้งสิบอย่างพระเวทสันทรอนก็ยิ่งในการให้ทานแต่มาเพิจารณามาวิเคราะห์ดูแล้วบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านบําเพ็ญมาทั้ง10อย่างนั้นล้วนแล้วจะมีสาระล้วนแล้วจะมีประโยชน์สําหรับคนเราทุกๆคนที่จะเอานํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่างอุเเกรขาก็เหมือนกันฟังฟังดูแล้วก็เ ห, เหมือนกับเปิดอุเเกขาได้ยังไงตามมันจริงอุเเกขาวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติถึงเมื่อคราววิบัติแล้วก็ไม่ถึงก็เสียใจมากโปงตกเออของใครของเรากรรมใครกรรมเราแต่พอที่เราจะช่วยได้เราก็ช่วยแต่มันสุดวิสัยแล้วมันมีจุดที่สุดวิสัยมันมีถ้าไม่มีจุดสุดวิสัยแล้วคนในโลกนี้ไม่ตายหรอก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 ก็ตั้งจิตอธิษฐานมาข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงข้าเพเจ้าจะเดินยโยกมืสักสามชั่วโมงอันนี้เราตั้งจิตอธิษฐานนะข้าเพเจ้าจะทําสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แต่จะไปอธิษฐานในสิ่งที่เป็นอั ป, ปมงคลไม่ได้นะสิ่งที่อั ป, ปมงคลข้าเพเจ้าจะกินเหล้าทั้งวันทั้งคืนข้าเพเจ้าจะนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนอันนั้นแปลว่าผิดอย่างั้นเถอะ Matrix. เป็นมิจฉาอธิษฐานอ่างนั้นเถอะไม่ใช่สัมมาอธิษฐานสัมมาอธิษฐานไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนคนอื่่นมีแตคุณ สำหรับตนเองอันหนึ่งเราเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิของปัญญาสัมมาทิฏฐิของศีลรวมแล้วจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องเนะีนบารมีสิบทัศนทางว้ใช้ไปนในทางที่ผิดมันก็ผิดได้เหมือนกันนะแต่ใช้ไปในทางที่ถูกก็ถูกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าท่านบําเพ็ญบารมีของพระองค์นะ่ยสิบทัศน์เนี่ยจนะรวมแล้วเป็นสาสบนะฐานบารมีฐานอุปปารมีฐานปรมาภิรปรมี คือทานขั้นยอ่อนบริจาคทานชั้นกลางบริจาคทานชั้นยอดเยี่ยมอย่างชั้นยอดเยี่ยมน่งแม้ชีวิตก็สละดได้มะงั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านปรารถนาใหญ่ท่านทําอย่างนั้นได้แต่พวกเราเป็นสาวกคือผู้ศึกษเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทําตามอัตภาพนั่นแหะแต่ตรองพิ่จรณานดูให้ดีให้เหตุให้ผลเพราะโลกทุกวันนี้มันโลกโลกาพิวัตรข่าวสารนี่มีจิปัะห์ร้อยแปด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 จากนั้นเราก็ศึกษาในพระไตรปิฎก อ, อีกเอามาค้นควา้าผสมประสานกันดูนะคําพูดของครูบาอาจารย์แต่ละท่านละองค์นี่เอ ม, มีเหตุและผลมีแง่แนวความคิดอย่างไรอย่างเนี้ยจากนั้นก็วางใจเลยแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างหลวงตามหาบุญท่านก็บอกว่าท่านวางใจกับหลวงปู่มั่นอ่านเห็นกิริยามารยาทเพราะท่านก็เรียนมาทางปริยัติธรรมมาพอสมควรแล้วจนได้เป็นมหา จากนั้นมาท่านก็มาแนวแถวปฏิบัติมันเข้ากันได้กับปริยัติที่ท่านเรียนมาแต่ปฏิบัติในท่านทํำยังไม่ถึงท่านก็เชื่อในหลวงปูม่มันทันทีเลยจากนั้นท่านก็วางอกวางใจใเหมอะกายถวายชีวิตวางนั้นเถอดประพฤติปฏิบัติหลวงปู่ท่านให้ทํายังไงปฏิบัติอย่างไงท่านก็ทําอย่างนั้นอย่างสุดๆวา ง, งั่นเถอดท่านก็ได้รับผลอย่างความตั้งใจเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกันนะการวิเคราะห์ในธรรมะของพระพุทธเจ้ากัลักษณะนั้นนะ จะไปเชือ่อแบบงมงายจะไปเชื่อแบบง่ายๆจะไปเชื่อแบบเขาเห่กันไปแล้วก็เห่กันมาเพราะนั้นต้องตรวจใช้ปัญญาพิจ า, นานรณาดูให้ดี